แม้ในบรรดาจิตทั้งหลายเหล่านั้นสังวรสังวรหเนี่ยนะก็ดีอะสังวรก็ดีมิได้มีอยู่ในสมัยแห่งภวังเลยพวังเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสังวรเกิดเลยมิได้มีอยู่ในสมัยของวิถีจิตมีอวชนะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยสังวรไม่ได้เกิดที่ปัญจทวาราวชนะไม่ได้เกิดที่จักขูวิญญาณไม่ได้เกิดที่สัมปติชนะไม่ได้เกิดที่สันติรณะไม่ได้เกิดที่ โวทัพนะแต่ว่าในขณะแห่งชาวนะถ้าหากว่าความเป็นคนทูศีลก็ดีถ้าทูศีนเนี่ยนะอสังวรห้าคือหนึ่งทูศีลจะเกิดขึ้นก็จะเกิดที่ชาวนะความหลงลืมสติเรียกว่าหลงลืมสติก็คือไม่มีสติสังวรความไม่รู้ก็คืออัานะไม่มียาณะสังวรเนี่ยนะความไม่รู้หรืออัคันติความไม่อดทนก็ดี ความเกียดคร้านหรือว่าไม่มีวิริยะก็ดีเกิดขึ้นอสังวรจะเกิดเกิดที่ชาวนะอสังวรย่อมมีก็อสังวรที่เป็นไปอย่างนี้นั้นเรียกว่าความไม่สำรวมจากขุนซรีถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่ออสังวร น, นั้นมีอยู่แม้ทวารเป็นอันไม่ได้คุ้มครองไว้แม้พวัง แม่วิถีจิตมีอวัชนะเป็นต้นก็เป็นอันไม่ได้คุ้มครองไว้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมื่อไม่ได้ปิดกั้นบานประตูเมืองทั้งสี่ประตูไว้ภายในเรือนมีซุ้มประตูและห้องเป็นต้นเป็นอันปิดกั้นไว้ดีแล้วกว็จริงถึงอย่างนั้นสิ่งของภายในเมืองทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นอันไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้คุ้มครองไว้เลยเพราะว่า พวกโจรพึงเข้าไปทางประตูเมืองปล้นเอาสิ่งของตามที่ปรารถนาได้ชันใดเมื่ออสังวรทั้งหลายมีความเป็นคนทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะคือทุศีลหลงลืมสติเนี่ยนะไม่มีความรู้ความไม่อดทนความเกลียดคร้านเป็นต้นเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วในชวนะเมื่ออสังวร น, นั้นมีอยู่แม้ทวารก็เป็นอันไม่ได้คุ้มครองไว้แม้พวังแม้วิถีจิตทั้งหลาย มีอวัชนะเป็นต้นก็เป็นอันมิได้คุ้มครองไว้ฉะนั้นเหมือนกันข้อความในดีกากล่าวถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่าในขณะแห่งชวนาจิตเนี่ยนะคว่าความเป็นผู้ทุตศีลก็ดีดังนี้ทั้งหมดท่านกล่าวไว้ในจกักรคูทวานนี้เท่านั้นเพื่อไม่ต้องกล่าวอีกนะคือทวานอื่นก็จะไม่กล่าวนะยกตัวอย่างใเฉยเพราะเหตุ น, นั้นในทวานทั้ง6ก็พึงทราบตามที่เกิดขึ้นได้ด้วยประการดังนี้ เพราะว่าปัญจทวารนะเยายรนี่เรียกว่าปัญจทวารวิถีพูดจากครูทวารอันเดียว5าทวารที่เหลือเท่ากับพูดแล้วนะและจะต่อทางมโนทวารวิถีทันทีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเท่ากับพูด6วิถีจิตแล้วนะหทวารแล้วตาหูจมูกเลนกายใจเท่ากับกล่าวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าความทุศีคือกายะทุจริตและวจีทุจริตไม่มีในทวาร5อนะ ชาวนะในปัญจทวารวิถีไม่ทากายกรรมที่เรียกว่ากายธุจริตไม่ทําวาจีธุจริตในในชวนะในปัญจทวารวิถีฉะนั้นพึงประกอบความไม่สารวมคือความทูตศีลเกี่ยวกับมโนทาวารจะทูศีลจริงๆจะต้องไปทูศีลที่มโนทาวารอสังวนที่เหลือพึงประกอบเกี่ยวกับทาวาร6ทุศีลเนี่ยนะเกิดได้มโนทาวารอย่างเดียว นนะล่วงมาทางกายกรรมวจีกรรมเนี่ยมโนทาวารอย่างเดียวส่วนสังวรสี่ที่เหลือคือไม่มีสติสังวรไม่มียานะสังวรไม่มีขันติสังวรไม่มีวิริยะสังวรเนี่ยเกิดทั้งหกทาวารเลยนะเอาทั้งหกทาวารซ้ำใหม่นะความทุศีนมีอยู่ทาวารเดียวเท่านั้นคือมโนทาวาร ส่วนสังวรที่เหลือเนี่ยนะอะสังวรที่เหลือคือหลงลืมสติไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนเนี่ยนะไม่รู้พวกนั้นเกิดได้ทั้งหกทวารแต่ว่าทุศีนเกิดทวารเดียวเนี่ยนะส่วนอสังวรสีที่เหลือเกิดได้หกทวารเท่านั้นเองนะไม่ได้ลึกซึ้งหรอก จึงอยู่ความเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นต้นพึงมีการเกิดขึ้นได้ทางทวารทั้งห้าเพราะความเป็นอกุโสรธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสติเป็นต้นถ้าชาวนะเป็นอกุศลก็เป็นปฏิปักษ์ต่อสติเพราะว่าทุสินเกิดทางมนโนทวารใช่ไหมครับเจริญพและอย่างเราฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นมนโนทวารใช่ปะชาวนาชวนาะจิตเป็นมนโนทวารแต่มนโนทวารอันนี้ล่วงมาทางกายกรรมล่วงมาทางกาย <imir Sham krit> เรียกว่ากายกรรมเกิดทางกายหรือเกิดทางจิตทางมโนทวารหรือทางกายทวารอังคิดนะว่ามโนทวานเนี่ยนะคือแยกกรรมก่อนนะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันนี้อย่างหนึ่งนะทวารของจิตนี่อย่างหนึ่งจากครูทวารวิถีโสตทวารวิถีคานาชวหากายะและมโนทวารวิถีมโนทวารวิถีล่วงมาทางกายชาวนาจิตเนี่ยคือมโนทวารวิถี ไม่ใช่วิถีในทาวารตาหูจมูกเล่นกายแต่หมายถึงมโนทวารวิถีล่วงมาทางกายทาจิตตะชูปล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทางวาจายอย่างเดิมาพูดเนี่ยนะคำพูดเนี่ยนะชาวนะที่เป็นเหตุให้พูดนั้นมโนทวารอย่างเดียวมโนทวารวิถีที่ทําวินยัตปัญจทวารวิถีไม่ทําวินยัตนะดีกาท่านบอกว่าชวนะทางปัญจทวารวิถีไม่ทําวินยัต ชาวนะทางมโนทวารวิถีเท่านั้นจึงจะทํากายวิญยัตและวะจีวิญยัติเพราะฉะนั้นชาวนะจิตเป็นมโนทวารแต่กรรมนี่เป็นกายกรรมต่อไปว่าส่วนความเป็นผู้ทุศีนซึ่งเป็นความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาหามีความเกิดในทางทวารทั้งห้านั้นไม่เพราะชาวนะที่เป็นไปทางทวารทั้งห้าไม่ยังวิญยัตให้เกิด นะชาวนะจิตทวารหาเนี่ยไม่ทํากายวิญยัตนะวจีวิญยัตก็ไม่ทําเพราะชวนะที่เป็นชวนะทำให้พูดไม่ใช่ชวนะทางบัญจาทวารวิถีก็อสังวรทั้ง5มีความเป็นผู้ทูตศีลเป็นต้นท่านกล่าวไว้โดยความเป็นปฏิปักษ์ต่อสังวรทั้ง5มีศีลสังวรเป็นต้นในที่นี้มโนทวารอย่างเดียวเนี่ยนะทำให้อสังวรหเกิดได้ ถ้าปัญจทาาวารอาสังบรศีเกิดได้เห็นนะฝ่ายขาวก็ตรงกันข้ามคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องศีนะฮะเพราะนั้นน่ะก็จะต้องเข้าใจถึงว่าท่านท่านหมายถึงว่าเป็นเรื่องของทุททจริตทางกายกับวาจานะครับทางกายกับวาจาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะล่วงออกมาทุจริตทางกายทางวาจาเนี่ย มันต้องมีวิญญาต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันต้องมีต้องมีเสียงออกมาจะต้องมีการกระทําออกมาทางกายทางวาจาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมันจะเน้นอยู่ตรงเนี้ครับว่ามันอย่างเนี้มันเกิดได้ทางราวาลไหนบ้างเมื่อ <straight> <WS>. ไม่มีสังวร น, นะครับแสดงว่าจิตต้องเป็นอกุศลนะครับจิตเมื่อจิตเป็นอกุศลนี่นะครับจิตเป็นอกุศลตั้งแต่ในปัญจทวารวิถีเนี่ยเป็นได้แล้ว ในปัญจทวารวิถีเนี่ยในชวนะนี่เป็นโลภะโทสะโมหะได้แล้วนะครับเหลืองเหลือนั่นนะครับนี่แสดงว่าไม่มีการสังวรเลยนะครับไม่ว่าเห็นสีได้ยินเสียงได้กลิ่นรู้รสทั้งห้ทวาร น, นะทั้งปัญจทวารวิถีนะครับเมื่อไม่มีการสังวรแสดงว่าจิตต้องเป็นในชวนะนั้นต้องเป็นอกุศลคือหนึ่งหลงลืมสติไม่รู้ไม่อดทนเนี่ยไม่เกียดค้าเนี่ครับ แสดงว่าไม่มีการสังวรจิตเป็นอกุศลนะครับแล้วถ้าสังวร น, น ะ, ะถ้าสังวรแสดงว่าจิตต้องเป็นกุศลเอาไหมนะครับคือในปัญจทวามิถีอันเยาวยานี่นะครับถ้าไม่มีการสังวร น, นะครับแสดงว่าจิตเป็นอกุศลและเมื่อเป็นอกุศลแล้วเนี่ยตามอัตโนมัติจะต้องมา ต่อด้วยมโนทวารวิถีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในมโนทวารวิถีนี่นะครับก็เป็นอสังวร5ไปด้วยนะครับในมโนทวารวิถีเมื่อปัญจทวารวิถีเป็นอกุศลมโนทวารวิถีก็ต้องเป็นอกุศลไปด้วยนะแล้วทบทวนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะว่า อ, อาสังวรมี5นะสังวรก็มีห้าเน้นอีกนิดหนึ่งว่า ทุศีนกับมีศีนเพราะว่าศีนเนี่ยนะถ้าคำว่าศีนตรงๆเนี่ยเป็นอะไรกายทวานกับวจีทวานเนี่ยเป็นเรื่องของของศีนนะทะลวงมาทางกายทวานวจีทวานในเรี่ยวกัล่วงศีนละส่วนปัญจทวานวิถีนี้ไม่ทำวิญยตคือคนไม่ได้พูดเพราะกายทวานวิถี ไม่ได้พูดเพราะปัญจทวารวิถีไม่ได้เดินยืนนั่งนอนเพราะปัญจทวารวิถีแต่ยืนเดินนั่งนอนพูดทั้งหลายแหลเป็นกิจของชวณทางมโนทวารวิถีที่ทำวินยัติทีนี้กล่าวว่าในปัญจทวารวิถีเนี่ยนะจะเป็นอสังวรได้สี่อย่างด้วยกัน อสังวร อ, อย่างที่หนึ่งเรียกว่าหลงลืมสตินี้ก็ชื่อว่าไม่มีสติสังวรแล้วในขณะนั้นหรือว่าไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่มียานะเรียกว่าไม่รู้อันนี้ก็เป็นอาสังวรหรือว่าไม่อดทนไงไม่อดทนก็คือไม่มีขันติสังวรแล้วก็เกียดคร้านถ้าเกียดคร้านก็ไม่มีวิริยะสังวรเพราะฉะนั้นอาสังวรทั้ง4อย่างเนี่ยเกิดในปัญจทวารวิถีได้ ทำไมนะบอกว่าปัจอะสังวรทั้ง6เนี่ยนะเฮ้ยอสังวรทั้ง5ไม่ได้เกิดครบทั้งหมดในวิถีจิตทั้ง6ทวาร น, นะปัญจทวานนี่หมายถึงตาถึงกายใช่ไหมแต่คําว่าตาถึงกายในที่นี้หมายถึงวิถีจิตนะหมายถึงชาวนาจิตทางปัญจทวานวิถี ในแผนนี้แล้วก็มุ่งไปที่ชาวนะเท่านั้นเองส่วนอื่นๆนี่กล่าวเอาไว้เพราะว่าสังวรหรืออาสังวรไม่ได้เกิดที่พวังไม่ได้เกิดที่ทวิปัญจมไม่ได้เกิดที่สัมปติชนะสัมตีรณนะและโวธรทัพนะอาสังวรทั้งหลายหรือสังวรทั้งหลายจะเกิดเฉพาะในชาวนะเท่านั้นนั่นนะทีนี้ชาวนทางปัญจทวานวิถีเนี่ยนะไม่ได้ทาวินยตคือชาวนะเหล่านี้ไม่ทากายกรรม ไม่ทําวจีกรรมเมื่อไม่ทํากายกรรมไม่ทําวจีกรรมเนี่ยนะปัญจทวารวิถีจึงไม่มีการทุศีนั่งสมมติว่านั่งดูทีวีปริบตาปริบตาปริบอยู่เนี่ยนะดูเฉยเอยู่เนะี่ยรู้อารมณ์ทางปัญจทวารวิถีเนี่ยนะถ้าแค่นั้นยังไม่เชื่อว่าทุศีนนะในบรรดาสังวรห้านะ ในบรรดาสังวรหเนี่ยนะข้อหนึ่งสีละสังวรใช่มสี 1, ลสังวรสสติสังวรสายานสังวร4ขันติสังวรหวิรยวิยะสังวรคือเฉพาะศีละสังวรเนี่ยไม่มีสีอ่าไม่ชื่อว่าทุสีด้วยนะในวิถีจิตทางปัญจทวารแต่ในขณะนั้นเรียกว่าคนหลงลืมสตินะถ้าจิตเป็นอกุศลนะเรียกว่าคนหลงลืมสติเรียกว่าคนเข่าหรือคนไม่รู้ เรียกว่าคนไม่มีความอดทนเรียกว่าคนเกียดคร้นานนะเพราะจิตของเขาในขณะนั้นหลงลืมสติด้วยไม่รู้ด้วยไม่อดทนด้วยและเกียดคร้าด้วยอันนี้ฝ่า ย, ฝ, ายฝ่ายดําถ้าฝ่ายขาวล่ะนะชาวนะที่เป็นกุศลในปัญจทวารวิถีของเขาในขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่ามีศีลที่เรียกว่าศีลสังวรแต่เป็นขณะนั้นเขามีสติสังวรเขามียาณสังวรมี ขันติสังวรแล้วก็มีวิริยะสังวรเพราะชาวนาจิตทางปัญจทวารเข้าเป็นกุศลแต่ถ้าชาวนาจิตทางมโนทวานเนี่ยนะชาวนาจิตทางมโนทวานนั้นเป็นอสังวรได้ทั้งห้าเลยเนี่ยนะสามารถถ้าโลภหรือว่าอากุศลจิตสิบสอเกิดเนี่ยนะอกุศลจิตสบสอเกิดเนี่ยสามารถเป็นทั้ง กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเฉพาะ ก, กายกรรมและวัจีกรรมของเขาเรียกว่าเป็นความทุศีลถ้าล่วงออกมาทางกายทางวาจาถ้าไปเข้าครบองค์นั้นๆก็จะชื่อว่าการทุศีลในขณะนั้นๆไปเนี่ยนะก็ต้องเอาองค์ของศีลเป็นต้นมาจับด้วยนะที่เรียกว่าทุศีลเพราะว่าเอาองค์มาจับเพราะว่าถ้าล่วงไปแล้วก็คือเป็นเหตุไปปฏิสนธิในอบายได้การเอาองค์มาจับนั้นเพื่อให้รู้ถึงว่าเป็นเหตุให้ปฏิสนธิในอบายได้ถ้า ถ้าครบองค์แล้วล่วงไปแต่ถ้ามีศีลก็จะมีในทางมโนทวารวิถีเหมือนกันแต่ถ้ามีศีลสักอย่างเดียวเนี่ยนะสติสังวรยาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรก็ชื่อว่ามีด้วยเนี่ยนะแล้วการเจริญสมถาวิปัสนาเนี่ยนะเป็นการเจริญพวกยาณสังวรเช่นขันติสังวรนี่ก็คือเจริญสมถะเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะแต่ว่าเขามีองค์ธรรมนะสติ สังวรองธรรมได้แก่สติญาณสังวรองคธรรมได้แก่ปัญญาขันติสังวรองธรรมได้แก่อโทสะอโทสะถ้าวิริยะสังวรองธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่เกิดร่วมกับมหากุศลอย่างเดียวรจาภาพในในกระดานนี้นะครับจะแสดงไว้ชัดเลยเพราะว่านี้อธิบายจากดีกาใช่ไหมครับตามแนวดีกาจากแนวดิกานะฮะแสดงว่า พูดถึงกุศลขั้นศีนี้จะวัดกันด้วยทางกายทางวาจาที่ล่วงออกมาถ้าหากว่าในชวนะในมโนทวารวิถีในชวนะมโนทวารวิถีนั้นไม่ได้มีวิญญตัตออกมาวิจีวิญญตัตหรือกายยะวิญญตัตนั้นถือว่ามีสีหรือทุสีไหมครับคือศีบางอย่างเนี่ยนะถ้าไม่ทําแล้วมีโทษชื่อวัตุศีลด้วย นั่งเฉยๆนั่งคิดเฉยๆเนี่ยนะแล้วไม่ทำเลยก็นับว่าทุศีดเหมือนกันยกตัวอย่างนะพระเนี่ยเห็นของเนี่ยนะเห็นโยมมาทำสตังตกเป็นต้นในวัดไม่เก็บไว้ให้เจ้าของเห็นก็เฉยไม่เก็บอะไม่สนใจไม่ไปเก็บไม่ดูแลไม่อะไรเลยนะทาเป็นไม่สนใจนะเป็นอบัตเพราะไม่ไปเก็บต้องไปเก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขา น เ, นเพรา ะ, ะนันไอการอยู่เฉยๆอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ทําวินยัตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาก็ไม่ใช่ว่าจะมีศีลเสมอไป เ, อเดี๋ยวต่ออีกนิดหนึ่งกล่าวว่าที่เมื่อกี้เนี่ยนะว่าชาวนะเนี่ยนะเหมือนประตูนอกใช่ไหมชาวนะเหมือนประตูนอก เ, อเหมือนประตูเมืองส่วนไอจกักรวิญญาณเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับประตูะต บ, บ้านเนี่ยนะ คำว่าเปรียบเหมือนอะไรความว่าอสังวรเมื่อเกิดในชาวนะท่านเรียกว่าความไม่สังวรในจกักขุนศีชาวนะเป็นอกุศลหลังจากเห็นเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่สํารวมตาโดยประการใดตัวอย่างแห่งประการนั้นนะเป็นอย่างไรด้วยคําว่าเปรียบเหมือนเป็นต้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงความเสมอเหมือนกันว่าเมื่อไม่สังวร อ, อย่างหนึ่งก็เป็นอันไม่สังวร อ, อย่างหนึ่งไปด้วยนั่นเองอย่างนี้ว่า เมื่ อ, อสังวรมีอยู่ในชวนาะ ธ, ธรรมชาติมีทวารเป็นต้นที่สัมพันธ์กับชวนะนั้นก็เป็นอันไม่สังวรคือถ้าชวนะไม่สังวรไอกร น, น้านั้นมาก็ชื่อว่าไม่สังวรด้วยเหมือนอย่างเมื่อมีความไม่ระวังที่ประตูเมืองถ้าพสัมภาระมีเรือนเป็นต้นที่สัมพันธ์กับประตูเมืองนั้นก็เป็นอันไม่ระวังไปด้วยเห็นไหม หาใช่แสดงความเสมอเหมือนกันของเบื้องต้นและเบื้องปลายหรือความเสมอเหมือนกันทั้งภายในและภายนอกไม่คือมันได้ชื่อเฉยแต่ว่าประตูนอกกับประตูในคนละประตูกันแต่ว่าได้ชื่อถ้าไม่ปิดประตูนอกซะประตูในถึงปิดไว้ก็ชื่อว่าไม่ปิดด้วยแต่ว่าคนละประตูนะจิตก็คนละอย่างเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเมื่อทวารและภวังเป็นต้นมีเยอะมีอยู่ชวนะที่เกิดขึ้น ท่านกล่าวว่าเสมอกับประตูเมืองเพราะทำเป็นเหมือนอยู่กับภายนอกเนี่ยนะก็คือมันมันเชื่อมกันมานะชาวนะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นของภายนอกนะชาวนะเนี่ยนับว่าเป็นของภายนอกแต่ตาเนี่ยนะนับว่าเป็นของภายในอ่าขั้นกล่าวว่าเมื่อความที่ชาวนะเป็นภายนอกและเมื่อธรรมชาตินอกนี้เป็นภายในแม้ไม่มีอยู่โดยประมัดจริง ความที่ชาวนาที่จรมาซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในบางครั้งบางคราวเป็นภายนอกชาวนะเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดใช่ไหมมันเกิดเป็นครั้งคราวเมื่อชาวนะเกิดเป็นครั้งคราวชาวนาที่จรเ น, นี่ยเรียกว่าจรมาเกิดเปรียบเหมือนกับประตูนอกคว่าและความที่ธรรมชาตินอกนี้มีสภาพผิดกับชาวนะนั้นเป็นภายในคนละอย่างกันนะนะสงเคราะห์เป็นภายในไปย่อมมิได้มีอยู่โดยปริยายหนึ่ง ย่อมมีได้โดยปริยายหนึ่งเพราะพระบาลีอันมาเป็นอาที่ว่าพุทธพจน์กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจิตนี้ผุดพ่องคือผวังขจิตเนี่ยผุดพ่องเนี่ยนะก็จิตนั้นแลถูกอุปกิเลส ท, ที่จรมาทําให้เศร้าหมองว่างานเถอะนะประพัสรามีดังเนี่ยที่กล่าวว่าจิตนี้ผุดพ่อง คำว่าจิตผุดพ่องเนี่ยไม่มีคำว่าจิตเดิมนะแต่ว่าจิตนี้ผุดพ่องหมายถึงผวังขจิตเนี่ยพ่องถามว่าทําไมจึงกล่าวว่าพ่องหรือประพัฒสรเพราะจิตนั้นเป็นชาติวิบากเมื่อเป็นชาติวิบากนั้นจิตนี้เป็นผลของบุญเมื่อเป็นผลของบุญก็เลยชื่อว่าประพัฒสอหรือว่าประพัฒสระเนี่ยนะแปลว่าผ่องใสอย่างนั้นแต่ถ้าอย่างนั้นผวังขจิตของสัตว์ก็ไม่ประพัฒสอนเพราะเป็นผลของอกุศลนะ นะเงาเขาบอกว่าเงามันไม่ค่อยดีแต่มนุษย์เนี่ยนะจิตชาติวิบากอุปมาเหมือนกับเงาจิตชาติกรรมเหมือนกับตัวจริงอะนะเพราะฉะนั้นเงาเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นตามอานาจของก ร, รมที่ทำเอาไว้พวังคจิตของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นมหาวิบากเป็นผลของมหาขุศลเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้ก็ประพัด ส, สอนหรือผุดผ่องแต่ว่าก็จิตนั้นแลถูก อุปกิเร ท, ที่จรมาเลยทําให้เศร้าหมองคือชาวนะเลยเศร้าหมองเพราะกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับอาคันตุกะเนีย่ยนะอาคันตุเกหิอุปกกเลเสหิเนีย่ยนะอุปกิรัเอ่ออุปกิรถังนะเศร้าหมองเพราะไอ้อาคันตุกะกิเลสเนี่ยจรมารว่าไนก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งเพราะเมื่ออสังวรเกิดขึ้นที่ชวนะต่อจากชาวนะนั้นธรรมชาติมีทวารและพวังเป็นต้นก็ถึงความเป็นเหตุแห่งอสังวร นะถ้าชวนะเป็นอาสังวรเ น, นี่ยนะวังเป็นต้นหรือพวกปัญจทวารวิถีที่นอกจากชาวนะก็ชื่อว่าอาสังวรก็ความที่ธรรมชาติมีทวารและภวังเป็นต้นเป็นเหตุแห่งอาสังวร น, นั้นย่อมรู้ได้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งอาสังวรเพราะเหตุนั้นการที่โจรคือความเป็นผู้ทุศีนเป็นต้นเข้าไปทางชวนเะนี่ยนะคือมันเกิดในชาวนะซึ่งเปรียบเหมือนประตูเมือง ปล้นที่ทวานและผวังเป็นต้นท่านกล่าวว่าเป็นการทําลายพันดะคือกุศลเพราะจิตของปุตุชนมีสองชาติใช่ไหมถ้าไม่กุศลก็อกุศลเท่านั้นเองถ้าอากุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิดก็อสังวรเกิดที่ทวานใดอสังวร น, นั้นย่อมเป็นไปในทวานนั้นย่อมเข้าไปตัดเสียซึ่งความที่ธรรมชาติมีทวานเป็นต้นเป็นอุปนิสัยแก่สังวร น, น, น, นั้นนะเพราะฉะนั้นพวกทวาน ก็เลยสงเคราะห์ว่าเป็นอะสังวรไปเล ย, ยนะเพิ่งเห็นความเชื่อมกันแห่งธรรมชาติมีทวารและภวังเป็นต้นกับชาวนะโดยความนับเนื่องอยู่ในสัน ต, ติเดียวกันก็สืบเนื่องกั น, น, นแต่ท่านก็บอกว่าก็ในอธิการนี้เมื่อรูปารมปรากฏทางจากขุทวารเมื่อกุศลชาวนะและอกุศลชาวนะเกิดขึ้นเจครั้งเนื่องด้วยเหตุมีธรรมชาติที่กาหนดไว้เป็นต้น แล้วอย่างลงสู่ภวังเนี่ยนะคือปัญจทาาวารวิถีดับไปใช่ไหมเมื่อชวนะทางมโนทวารเกิดขึ้นเจ็ดครั้งเหมือนกันในอารมณ์นั้นแหละเนี่ยในนี้เรียกว่ารับอตีตะอ น, นะอตีตะคานะวิถีก็คือรับอารมณ์อดีตต่อจากปัญจทวารตามที่ควรชวนะทางจากขรูทวารนั้นแล้วอย่างลงสู่ผวังคือเมื่อผวังขจิตก็ดับไปชวนะก็อาศัยอารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งจึงจักรู้ว่าเป็นหญิงหรือ เป็นชายความกำหนัดเป็นต้นก็จะเกิดในมโนทวารวิถีเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความทู่สีเนี่ยนะเกิดในชาวนาเนี่ยนะสรุปเท่านั้นแหละใน <c oughs> ในพระสุตตานตาบิโกก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับสิทธิ์กับอาจารย์นะั่นนะท่านเคยได้ยินไหมอ่าเคยได้ยินก็บอกว่าถ้าหากว่าชาวนาะไม่สังวรเนี่ยนะ จากขู่เนี่ยนะก็เหมือนกับพ่อแม่หรือว่าเหมือนกับอุปชาาจารย์นะชาวนะก็เหมือนกับสิทธ์อ่ะก็บอกว่าท่านถ้าหากว่าชาวนะเป็นอกุศลเหมือนกับลูกไม่ดีมันก็เสียถึงพ่อถึงแม่ด้วยนะชาวนะเหมือนกับสิทธิเนี่ยถ้าสิทธ์ไม่ดีก็เสียถึงอาจารย์ด้วยก็ก็ลักษณะเดียวกันเจนพลจิตเมื่อเขาได้ปัจจัยแล้วเขาเกิดบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นวิบากบางอย่างเป็นกิริยา ที่กล่าวว่าเป็นอกุศลเพราะว่าจิตอันนั้นเนี่ยมีโทษตัวเขาเองเนี่ยมีโทษและเขาให้ผลเป็นความทุกข์ต่อไปจิตบางอย่างเป็นกุศลเพราะเขาไม่มีโทษเขาให้ผลเป็นความสุขต่อไปจิตบางอย่างเป็นวิบากเพราะเป็นผลของกุศลอกุศลในอดีตเป็นปัจจัยแต่ในขณะเดียวกันก็อันนั้นก็ปัจจัยหนึ่งวัตถุ ก, กับอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่ง ส่วนกิริยาก็ได้ปัจจัยเป็นต้นกิริยาจิตจึงเกิดขึ้นมันธรรมะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเขาไม่ได้เกิดรอไว้ก่อน